ลักษณะวิพัชสวาทดจำแนกโดยทางเลือกหรือความเป็นไปได้อย่างอื่นในการปฏิบัติเพื่อบรรลุผลสาเร็จหรือเข้าถึงเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีในการพิจารณาหาความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้นและความเป็นไปของสิ่งสภาพหรือปรากฏการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีผู้ที่ิดคนพิจารณาพึงตรหนักว่า ประการแรกหนทางวิธีการหรือความเป็นไปได้อาจมไไีได้หลายอย่างประการที่สองในบรรดาหนทางวิธีการหรือความเป็นไปได้หลายอย่างนั้นบางอย่างอาจดีกว่าได้ผลกว่าหรือตรงแท้กว่า อ, อย่างอื่นประการที่สามในบรรดาทางเลือกหลายอย่างนั้นบางอย่างหรืออย่างหนึ่ง อาจเหมาะสมหรือได้ผลดีสำหรับตนสำหรับต่างคนหรือสำหรับกรณีนั้นมากกว่าอย่างอื่นประการที่สี่ทางเลือกหรือความเป็นไปได้อาจมีเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างแต่เป็นอย่างอื่นคือไม่ใช่ทางเลือกหรือความเป็นไปได้อย่างที่ตนกำลังปฏิบัติหรือกำลังเข้าใจอยู่ในขณะนั้น ความตระหนักเช่นนี้มีผลดีหลายประการเช่นทําให้ไม่อื้อตื่อติดตานวนเวียนอยู่อย่างหาทางออกไม่ได้ในวิธีปฏิบัติหรือความคิดที่ไม่สําเร็จผลไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับตนทำให้ไม่ท้อแท้ถดถอยหรืออับจนแล้วหยุดเลิกความเพียรเสียในเมื่อทำหรือคิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือแม้หลายอย่างแล้วไม่สาเร็จ โดยเฉพาะข้อที่สำคัญที่สุดคือทำให้สามารถคิดหาและค้นพบหนทางวิธีการหรือความเป็นไปได้ที่ถูกต้องเหมาะสมตรงแท้เป็นจริงหรือได้ผลดีที่สุดวิธีคิดแบบนี้จะเห็นตัวอย่างจากพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทดลองบัณฑ์ทุกขระกิริยาจำพวกตะบะที่เป็นอุดมการของยุคสมัยอย่างสุดกำลัง และสุดผลนทางที่จะมีบุคคลผู้ใดปฏิบัติได้ยิ่งไปกว่านั้นแล้วไม่สำเร็จผลแทนที่จะทรงติดตันและสิ้นหวังทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางที่ถูกต้องที่จะบรรลุจุดหมายแล้วทรงดาริต่อไปครั้งนั้นทรงมีพุทธดำริว่าเราจะบรรลุญาณทัศนะอันพิเศษ ท, ที่ทำให้เป็นอริยะซึ่งเหนือกว่าธรรมะของมนุษย์นั้นด้วยจุกรากิริยาอันเผ็ด ร, ร้อนนี้ หาได้ไหมผนทางตรัสรู้คงจะเป็นอย่างอื่นเมื่อทรงดำริแล้วจึงทรงคิดพิจารณาและค้นพบทางสายกลางและทรงปฏิบัติจนบรรลุโพธิญาณในที่สุด